เกาไปในทางอากาศวิทยาธรนี่คงเป็นพวกมนุษย์ที่มีวิทยาอาคมนะไม่แน่ใจหรือไม่ก็เป็นพวกเทวดาชั้นต่ำเลยเนะาะไปได้ในอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างแลดูวิวภายนอกอยู่เนี่ยก็เกิดความรักนางจึงเข้าไปทางหน้าต่างแล้วได้ทำความเชยชิดกับนาง นางอาศัยการอยู่ร่วมกับวิทยาธร น, นั้นก็ตั้งคันในเวลาไม่นานเลยหญิงรับใช้ได้รู้เหตุนั้นจึงกล่าวว่าคุณนายนี่มันเรื่องอะไรกันนางบอกว่าโอ้เจ้าอย่าไปบอกเรื่องนี้แกใครๆนะหญิงรับใช้ก็ไม่บอกนะเพราะกลัวเมื่อร่วงไปได้สิบเดือนนางก็คลอดบุตรแล้วให้หญิงคนใช้เอาภาชนะใหม่มาอันหนึ่ง ให้เด็กนั่นนอนในภาชนะแล้วก็ปิดภาชนะนั่นเสียวางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนสั่งหญิงคนใช้ว่าเจ้าจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแม่น้ำคงคาถ้าถูกใครถามว่านี่อะไรเจ้าก็บอกว่าพลีกรรมของคุณนายของฉันก็คือบูชาเทวดานะ่ของไอ้นี่บูชา อาจจะบูชาชาเจ้าแม่คงคาหรือบูชาเทวดาอะไรก็ได้เหมือนที่เขาบูชาพระพิฆเนศเอานมไปป้อนน่ะนะโยมไปดูได้เขาบูชาด้วยนมคือก็ถือว่าเป็นเป็นบุญกุศลของเขาเขาเชื่ออย่างนั้นพลีแปลว่าให้กรรมที่เป็นการทำการให้แกเทวดาในอินเดียเขาก็บูชามากมายไม่ใช่เฉพาะพระพิฆเนศนะ เทวดาเขาเนี่ยห้าสิบหกล้านกว่าองค์เพราะนั้นก็ตื่นเช้ามาใครก็นับถือไหนก็ถือนมไปคุณจะรับถืออะไรล่ ะ, ะพระศิวะก็ไปพระอูมาก็ไปเอา้าใครก็ไปนะแต่ถามว่าได้บุญไหมถามว่าได้บุญหรือเปล่าไม่ได้อนะย่าไม่เรียกว่าได้บุญหรือไม่ได้เพราะว่าการมันนั้นมันประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะว่าเทวดาอย่างนั้นไม่มีจริงไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ย เท ว, วดาที่มีจริงคือเท ว, วดาที่เกิดในชั้นจาตุมเป็นต้นถึงชั้นปริมิตตาวัสวัตดีแล้วเราจะบูชาอะไรเขาก็บูชาคุณของเขาเท ว, วดาองค์ไหนมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาะ้ะมีปัญญาเราบูชาศรัทธาศีลของเขานะอย่างนี้ได้หรือเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญให้กับเท ว, วดาอย่างนี้ได้เดวเท ว, วดาพีนี่หลักศาสนาเรานะ แต่ว่าของชาวาศาสนาฮินดูเขาก็บูชาเทวดากันอย่างนี้แหละเราโชคดีไหมล่ะที่มาเกิดในาศาสนาพุทธเนี่ยไม่งั้นเราก็ต้องไปเอานมไปป้อนพระพิคเนตนะหรือไปไปป้อนอย่างอื่นอีกทีนี้มีมีมานะของ่าพิคเนตใช่หห น, หนูหนูเป็นพานะพวกเขาเอานมไปป้อนหนูนะ่ป้อนกัน สนุกไปเลยแหะหนูกินนมกันสนุกเลยลมีมีเทวาลัยที่หนูเข้าไปเป็นใหญ่อยู่ที่นั่นมีเพราะฉะนั้นหญิงรับใช้ก็ได้ทําอย่างนั้นมีหญิงสองคนกําลังอาบน้ําอยู่ในทางด้านที่แม่น้ําคงคาไหลไปเห็นภาชนะนั้นถูกน้ําพัดมาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะนั้นเป็นของฉัน ภาชนะนั้นมันลอยน้ําได้คนหนึ่งก็พูดว่าของที่อยู่ในภนาชนะนั้นเป็นของฉันอจองก่อนจองก่อนยังไม่ได้เลยจองก่อนแนละ้วเมื่อภนาชนะนั้นลอยมาถึงแล้วก็จับภนาชนะนั้นวางไว้บนบุกบนบกเปิดดูก็เห็นเด็กหญิงคนที่หนึ่งพูดว่าเด็กเป็นของฉันทีเดียวเพราะฉันกล่าวว่าภาชนะเป็นของฉันค น, คนที่พูดคนแรกว่าเด็กต้องเป็นของฉันนะเพราะฉันบอกแล้วนี่ว่า ไอ้ของรอยน้ำมาต้องเป็นของฉันอีกคนหนึ่งบอกว่าเด็กต้องเป็นของฉันเพราะฉันกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในภาชนะเป็นของฉันทีเดียวนี่ไม่ตกลงกันแสดงว่าเด็กนั้นต้องน่ารักมากไม่งั้นไม่แย่งกันหรอกถ้าเด็กเกิดมาไม่สวยไม่งามเนี่ยก็ก็ไม่ต้องแย่งกันเพราะนั้นหญิงทั้งสองก็เถียงกันไม่ตกลงก็เลยต้องไปสู่ศาลไปศาล ให้สารวินิจฉัยโดยแจ้งเนื้อความนั้นอัมมายก็ตัดสินไม่ได้อีกดูสิเป็นสารยังไงตัดสินไม่ได้ไม่สามารถจะตัดสินได้จึงต้องไปหาพระลาชาเห็นไหมเนี่ยเรื่องมันต้องมีพระลาชาอีแบบเนี่ยเพราะมันมีการแย่งกันมีการาตัดสินกันไม่ได้พระลาชาฟังเรื่องทั้งสองแล้วจึงตัดว่าเจ้าที่บอกคนแรกเอาภาชนะไปเจ้าที่บอกคน ที่สอง่ะเอาเด็กไปหญิงที่ได้เด็กก็นางเนี่ยมีบุญนะเป็นอุ ป, ปัฏฐายิกาคือเป็นหญิงที่คอยรับใช้ทำบุญของพระมหากัจจายนะเถระพระมหากัจจายนะนี่เป็นเป็นพร ะ, พระอรหันต์ที่เลิศในทางแสดงธรรมย่อให้ขยายออกไปแล้วนางคนที่ได้เด็กเนี่ยก็ไปเป็นอุ ป, ปัฏฐาก คือหญิงผู้ปรารดารับใช้พระเทลรอยู่เพราะเหตุนั้นหญิงจึงเลี้ยงทารกนั้นไว้เลี้ยงทารกนั้นไว้ด้วยคิดว่าเราจะให้เด็กนี้บวชในวัดของพระเทลรตั้งใจเลยเพราะว่านางฝักใฟกับวัดฝักใฟกับพระเทลรอยู่ผมของเด็กนั้นได้ปรากฏรุงรังเพราะว่า ไอ้ความสกรปรกแ่งคันที่เขาล้างออกไม่หมดในวันที่เด็กเกิดนั้นก็ไม่ได้ล้างดีเพราะว่าแม่เขารีบรีบเอาใส่กลัวจะใครจะเห็นเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงได้ตั้งชื่อเด็กนั้นว่าชะดีละแสดงว่าไอ้ลุงรังเนี่ยนะไอ้แบบชดินเขาจะต้องมีผมก็ลุงรังแล้วก็ถึงนกล้าขึ้นไปบนศรีรษะแล้วเอาอะไรอะอะไรชาดาครอบไว้อะ เลยเรียกว่าชดนินนะนะเลยเรียกว่าชดินเพราะเหตุว่าผมมันรุงรังถ้าสมัยนี้ต้องตั้งชื่อว่าฮิปปี้นะเพราะผมมันรุงรังนะแต่สมัยนู้นเขาเรียกตามตามลักษณะของนักบวชเรียกว่าชดินในเวลาที่เด็กเดินได้พระเถระก็มาสู่บ้านของหญิงผู้นี้เพื่อบินธบาตอุบาสิกานิมนต์พระเถระให้นั่งแล้วได้ถวายอาหารพระเถระเห็นเด็ก ถามว่าอุบาสิกาท่านได้เด็กมาหรืออุบาสิกาเรียนว่าได้เจ้าค่ะดิฉันเลี้ยงเด็กนี้ด้วยหวังว่าจะได้ให้บวชในสำนักของท่านขอท่านจงให้เขาบวช ด, ดังนี้แล้วก็ได้ถวายเด็กนะถวายเด็กเลยเดินได้แล้วนี่พระเถระรับว่าสาธุดีแล้วแล้วพาเด็กนั้นไปตรวจ ด, ดูว่า บุญที่จะทําให้เด็กนี้เสวยสมบัติของคฤหัตมีอยู่หรือไม่นี่พระเถระคือพระหัน์ทั้งหลายเนี่ยรู้เรื่องบุญเรื่องบาปดีที่สุดเชื่อมั่นคงเลยก็ตรวจดูสัก่อนว่าเขามีบุญที่จะได้ครองสมบัติของคฤหัสไหมของเลื่อนไหมคิดว่าเด็กผู้นี้มีบุญมากจักเสวยสมบัติใหญ่ เด็กนี้ยังเล็กอยู่แม้ปัญญาของเขาก็ยังไม่ถึงความแก่รอบปัญญานะ่ยมีแก่มีอ่อนพวกเรานี่ปัญญาอ่อนอย่าไปนึกว่าเราปัญญาแก่นะจบอะไรมาก็ตามจะด็อกเตอร์มากี่ปีญญาก็ตามคือถ้าไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมแล้วถือว่าปัญญาอ่อนนั้นนั้นหรือว่าไม่รู้เรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเป็นต้นเนี่ยปัญญาอ่อนนั่นนั้นอะ โดยเฉพาะรู้ได้ยีตรงไหนอีตรงโลภมากนะปัญญาอ่อนนะปัญญามันอ่อนออ น, ออนอะเป็นนะคือถ้าถ้าพานในโดยจริงๆแนละ้วก็คือคําว่าพานแปลว่าเบาปัญญาเบาปัญญายาวเบาเพราะไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมก็นนต้องคบบัณฑิตสิเราเป็นพานเราต้องไปคบบัณฑิตเราคนมีปัญญาสิเรา ค, ร บ, ค, บ, าครบพระพุทธเจา้าคบคําสอนของท่านนะ่ะ แ้วท่านพูดอะไรเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเป็นเรื่องมีปัญญาทั้งนั้นให้เรามีปัญญาเราไปคบตัวเราก็ไม่ได้เพราะเราโง่ซะแล้วแต่นี่คนโง่มันไม่ยอมรับ ว, ว่าเราโง่นะมันจะบอกว่าเราเนี่ยรู้เราเนี่ยฉลาดรู้อะไรอะ่ะคนโง่เขาบอกเขารู้อะไรอะ่ะเขาก็เขาเขาก็จะบอกว่า เ, เขารู้เรื่องว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วก็ไม่เกิด นรกสวรรค์ไม่มีเขาบอกเขารู้เ็าจะบอกเขาพูดรู้พวกพวกเรื่องแบบนี้นะทำบุญแล้วก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปทำไปเยอะคุณอยากทำอะไรทำมันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรอย่างนี้นี่เรียกว่าคนพานแท้ๆนะพานแท้ๆแต่มันยังมีพวกที่ไม่ใช่พานแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่บัณฑิตก็มีอยู่พวกไหนและพวกไม่ใช่พานและไม่ใช่บัณฑิตคือบัณฑิตเนี่ยเป็นพระหัน พระหารเนี่ยชื่อว่าไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีปัญญาเนี่ยมีอยู่เสมอเข้าใจไหมเพราะว่าท่านได้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วปัญญาท่านแก่รอบไปแล้วทีนี้พระทหารคือบัณฑิตแล้วคนพาลใครอะคนพาลก็คือคนที่ไม่มีปัญญานะแล้วก็ดังมีความโง่แหวมเห็นผิดเข้าไปอีกนี่เลยว่าพาลแท้ๆทีนี้คนไหนที่ไม่ใช่พาลไม่ใช่บัณฑิตคนที่เป็นกาลยาณปุถุชน ที่มีปัญญารู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมอันนี้ชื่อว่าไม่เฉยผานแต่ก็ยังไม่ใช่บัณฑิตเพราะยังคุณยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่แล้วก็พระโสดาบันพระสกทาคาและอนาคาก็ชื่อว่ายังไม่เป็นบัณฑิตแต่ก็ไม่ได้เป็นผานเรียกว่าไงดีอะเรียกว่าผู้ไม่ใฉ่ผานและผู้ไม่ใฉ่บัณฑิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามีปัญญาแต่ว่าปัญญาก็ยังไม่สามารถแก่แก่ที่จะไปทําลายกิเลสได้หมด ปัญญาในมันมีหน้าที่อะไรอ่ะตัดกิเลสฆ่ากิเลสประหารกิเลสใช่ไหมประหารอะไรประหารในโลภโกรดหลงอะ่ะประหารในความเห็นผิดเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างนั้นทีนี้เรายังมีโลภอยู่เราก็ทื่อว่าเราเราจะบอกเรามีปัญญาก็ไม่ได้แต่เราจะบอกว่าเราไม่มีปัญญาก็ไม่เชิงเพราะเราก็มีอยู่มีมีปัญญาที่จะรู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยเรามีอยู่ก็ต้องจัดเป็นว่า ไม่ใช่พานไม่ใช่บัณฑิตเหมือนกับที่เขาบอกว่าไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเป็นเป็นเป็นกระเทยกระเทยคือยังตัดสินไม่ได้ว่าจะเป็นบัณฑิตก็ไม่ใช่เป็นพานก็ไม่เชิงกนะ า, ารกระเทยนี่เป็นภาษาบาลีคุณโ ย, ยมนะกระเทยเนี่ยคือผู้ไม่มีเพศนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอุปโตพยัญชนกมีสองเพศนะคือคือคื อ, คอด้วยกรรมของเขาเนี่ยทำให้เขาเมีสองเพศนะ คือเวลาเขาไปชอบผู้หญิงนะเขามีเพศชายเวลาเขาชอบผู้ชายเขามีเพศหญิงนะส่วนกระเตยนี่ก็ไม่มีเพศว่ากันนะก็อาตมาไม่ค่อยไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ดีอย่าถามมากนะเอาพอสมควร ท, ท่านท่านพระเถระก็บอกว่าเอยาณของเขายังไม่แก่คือยังไม่สามารถจะออกบวชแล้วสําเร็จเนี่ยยังยังไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นต้องให้อยู่ครองเรือนแล้วก่อน จึงได้พาเด็กนั้นไปสู่เรือนของอุปถากคนหนึ่งคืออุปถากคนหนึ่งให <laughs> ้นะโอ้ให้มาแล้ว <laughs> ให้บวช <laughs> ยังบวชไม่ได้ <laughs> ไปฝากไว้อีกอุปถากหนึง่ง <laughs> ในกรุงตักกศีลาตักกศีลาเนี่ยอยู่นู่นนะปากีสถานนะตอนเนี้นะอุปถากนั้นไหว้พระเถระแล้วก็ยืนอยู่เขาเห็นเด็กนั้นก็ถามพระเถระว่าท่านได้เด็กหรือขอรับอุปถาคได้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชาย พระเทรซบอกว่าใช่แล้วอุบาสกเขาจากบวชแต่เขายังเด็กเล็กนักให้อยู่ที่บ้านท่านก่อนนะอุบาสกรับว่าดีแล้วขอรับแล้วก็ตั้งเด็กไว้ในฐานะเพียงดังบุตรให้เหมือนกับบุตรบุญธรรมแล้วก็เลี้ยงดูอยู่ก็ในบ้านของอุบาสกนั้นมีสินค้าที่สั่งสมไว้แล้วตั้ง12ปียังขายไม่หมด12ปีเนี่ย เขาไปเที่ยวไปในระหว่างบ้านเอาสินค้าที่มีอยู่นะไปตลาดไปที่ตลาดให้เด็กนั่งในตลาดเด็กคนเนี้นะแล้วบอกราคาสินค้าไว้แล้วกล่าวว่าเจ้าจงเอาทรัพย์ประมาณเท่านี้มาสรกกอดคือต้องให้เงินมาเท่านี้ก่อนแล้วก็ให้สิ่งนี้สิ่งนี้ให้เด็กขายของแล้วแล้วก็หลีกไปนะ เด็กก็จำนะเออของดีราคาเท่านี้เขาต้องให้เงินเท่านี้เราจึงจะขายในวันนั้นเทพ ย, ยดาผู้รักษาพนครเทวดามีที่รักษาพนครก็บรร ด, ดาให้ชนมีความต้องการโอ้ยต้องการของกันใหญ่เลยแม้แต่พริกและผักชีก็ให้บายหน้ามาสู่ที่ตลาดของเด็กเท่านั้นไม่ไปที่อื่นเลยมาที่ศูนย์การค้าจดีละนี่เราไม่ต้องไปที่ไหนแล้วนะ เด็กนัดขายสินค้าที่สะสมไว้สิบสองปีหมดวันเดียวเท่านั้นเองนะโอ้โหอุบาสกเก็บไว้ทั้งสิบสองปีเนี่ยขายไม่หมดนะกูดุ้พีก็กลับมาไม่เห็นอะไรที่ตลาดเลยก็เลยถามว่าพ่อสินค้าทั้งหมดเจ้าทําให้มันเสียไปหมดแล้วเหรอนะเจ้าทําให้มันชิปหายไปแล้วหรือหรือพูดง่ายๆเอาไปทิ้งที่ไหนหมดนะว่ากัน ง, ง่ายๆนะ มันหมดตลาดเลยอ่ะมันหมดไม่เหลือเลยสักอันเดียวเด็กตอบว่าฉันไม่ได้ทําให้สินค้าชิปหายหลอกฉันขายสินค้าทั้งหมดตามที่ท่านบอกไปแล้วนั่นแหละนี่เป็นราคาเป็นเงินของสินค้าชื่อนั้นนี่เป็นเงินของสินค้าชื่อโ น, น้นกุดุมพีก็ปลื้มใจอันนี้โลภนะเพื่อจปลื้มใจด้วยด้วยด้วย ตัทธาะไรเกิดแต่ปลื้มใจด้วยโอ้โหเราสิบสองปีขายหมดวันเดียวเนี่ยมันเต็มใจเราอิ่มเหลือเกินโรบเกิดขึ้นคิดว่าเด็กผู้นี้หาค่าไม่ได้นะสามารถที่จะอยู่ในที่ใด ท, ที่หนึ่งก็ได้เนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหเด็กคนนี้มีบุญมากเพราะฉะนั้นจึงยกลูกสาวผู้จเจริญวัยแล้วในเรือนของตนให้แก่เด็กผู้นี้ไม่เด็กแล้วมั้งเนี่ยไม่เด็กแล้วนะต้องไม่เด็กแล้วต้องโตแล้วนะ แล้วสั่งพวกบุรุษว่าพวกเจ้าจงสร้างเรือนแก่เขาเมื่อเรือนสำเร็จแล้วจึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปจงอยู่ในบ้านของตนเถอะยกลูกสาวให้เลยบ่าโอ้โหลูกเราต้องอยู่กับเขาเขาถึงจะลูกเราจึงจะมีความสุขเพราะเขามีบุญมากขั้นในเวลาที่ชดินกุมาร น, นั้นเข้าไปสู่เรือนก็คงประมาณ1ิบสองิบสาสิบสี่อะไรเงี้ยอายุก็คงไม่มากนักเนะี่ย เมื่อธรณีประตูที่เขาเหยียบแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่งเท่านั้นเองภูเขาทองภูเขาที่ทําด้วยทองทั้งหมดนะประมาณแปดสิบศอกก็ชําแลกแผ่นดินผุดขึ้นในที่ข้างหลังบ้านทันทีเลยเหมือนหนังอินเดียไหมละ่ะแต่จริงๆแล้วบุญนะ่ยมันยิ่งกว่าหนังอินเดียอีกคุณโยมนะบุญเนี่มัน ม, นมหาศักดิ์ทธ์ยิ่งกว่านั้นอีกนี่ยังเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ยังเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพระเจ้าบันธาตุราะปรบมือเท่านั้นน่ะฝนตกมาเป็นหาทองคําเป็นเป็นเพชรพลอยทองคําสูงแค่หัวเข่าปรบมือนะปรบมือเท่านั้นเองตกกันเจ็ดวันเลยฝนตกมาเป็นทองคําไม่ต้องธรรมากินแล้วออประชาชนนะนะนี่อํานาจบุญนะนี่เหยียบเหยียบเหยียบเท้าข้าเดียวนะภูเขาทองเกิดขึ้นแปดสิบสองพระราชาพอได้ฟังว่า ภูเขาทองชํำแรกแผ่นดินผุดขึ้นใกล้บ้านของชดินกุมารก็ส่งฉัดสำหรับเศรษฐีไปประทานให้แก่เขาเขาก็เลยได้ชื่อว่าชดินเศรษฐีอยู่กินกับนางมาได้บุตรสามคนแต่งงานต้องคองเรือนซะก่อนเพราะว่าปัญญายังไม่แก่เรารู้ไหมปัญญาเราอ่อนแก่แค่ไหนรู้ไหมรู้นะถ้าเผื่อศึกษาคำสอนไปดี ปัญญาแก่ก็คือฟังคำสอนแล้วเนี่ยมันรู้ไปเลยได้ยินแล้วโอ้โหชัดเจนนะชัดเจนความจริงเป็นอย่างนี้สังขารเป็นทุกข์อย่างนี้ตัณหานาทุกข์มาให้อย่างนี้นี่พวกเราฟังมาห้าร้อยหนแล้วก็ยังเหมือนเดิมเพราะนั้นปัญญาเรายังไม่แก่นะเชื่อเถอะรับรองว่ายังไม่แก่เขาก็ยังจิตให้เกิดขึ้นในการบวชเมื่อมีลูกสามคนมีลูกสามคนนะก็คงอยู่หลายปี ในเวลาที่บุตรนั้นเจริญวัยแล้วเขาได้คิดว่าถ้าตระกูลเศรษฐีที่มีโภคสมบัติเสมอด้วยเรามีอยู่แล้วไซ้บุตรทั้งหลายก็จักให้บวชได้ถ้าไม่มีไซ้บุตรทั้งหลายก็จักไม่ให้เราบวชในชมพูทวีปนี้ตระกูลที่มีโภคะเสมอด้วยเราทั้งหลายมีอยู่หรือไม่คือคือก็ยัง ก็ยังกลัวว่าลูกเนี่ยจะไม่ให้บวชอย่างนี้นะก็ต้องหาตระกูลเศรษฐีที่เขาออกบวชนะมีบ้างไหมเศรษฐีใหญ่ๆอย่างเนี้ยนะจึงให้ช่างทำอิดที่สำเร็จด้วยทองคำแล้วก็ทำด้ามประตักที่สำเร็จด้วยทองคำแล้วก็เขียงเท้ารองเท้านั่นแหละที่สำเร็จด้วยทองคำเพื่อต้องการจะทดลองดูว่าในชมพูทวีปเนี่ยมีเศรษฐีอย่างเราบ้างหรือเปล่า เพราะมันมั น, ม, นมันห่างไกลกับชงพูดวีปเนะมันกว้างแล้วก็ได้เอาของทั้ง3อย่างนี้ใส่ในมือของคนใช้แล้วสั่งว่าพวกเจ้าจงไปจงถืออิฐอิดที่สําเร็จด้วยทองคําเหล่านี้เป็นต้นทําเป็นเหมือนไปเที่ยวดูอะไรอะไรอยู่นั่นแหละแต่ว่าเที่ยวไปให้ทั่วจมพูทวีปไปสืบดูที่ว่าตระกูลเศรษฐีที่มีโภอกสมบัติ เท่ากับเรามีอยู่หรือไม่มีแล้วจงมามีไหมที่ภูเขาทองผุดมาแปดสิบอกแปดสิบอกก็เท่าไหร่อะคุณโยมสี่อกเป็นหนึ่งวายี่สิบเมตรยี่สิบเมตรก็สูงกว่าตึกสามชั้นแล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะพวกคนใช้เหล่านั้นก็เดินทางมาถึงพัทยานครครั้งนั้นเมนตะกะเศรษฐีเอาละชนี้ชุมนุมเศรษฐีกันใหญ่แล้วคราวนี้นะเมนตะกะเศรษฐีเห็นบุรุษ ลาวนั้นมาแล้วกว็าถามว่าอ้าวพวกท่านเที่ยวมาทำอะไรกันแถวนี้พวกคนใช้บอกว่าพวกเราเที่ยวดูหาดูของสักอย่างหนึง่งก็เศรษฐีเมตกตระยเศรษฐีเนี่ยก็รู้เลยว่าอ๋อไอการงานที่เขาจะมาเที่ยวดูเนี่ยโดยการที่ถืออิฐถือตะตัก ถือชัดถือถือไอ้รองเท้าทองคําเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีหรอกคนบ้าอะไรมันถือทองคำเที่ยวดูไม่มีนะพวกนี้ต้องสืบสวนหาเศรษฐีแน่ๆไม่ไดกาเศรษฐีน่ะรู้เลยนะเขาบอกว่าเที่ยวเที่ยวมาหาของเลยตั้อย่างหนึงนะ่งแต่โชว์โชว์ไอ้อิดทองคําเป็นต้นเขาเลยบอกเมนเดกาเศรษฐีบอกว่าพวกพ่อทั้งหลายพวกท่านไปดูหลังบ้านเราปรัสะบ้างนะเข้าไปดูสิ พวกบุรุษแล้วนั้นก็เข้าไปหลังบ้านเห็นแพะทองคํานะครับือมีเยอะนะแพะทองคําแล้วก็ไอแพะนี่ก็แปลกแต่ต้องการอะไรก็เอาออกมามันก็ออกมาเป็นพวกผ้าเยอะแยะเลยเดี๋ยวเประวัติเมตกาเรษตีมีเรื่องอีกเฉพาะนะมีเรื่องอีกเฉพาะบุญของท่านเศรษฐีนะเห็นแพะทองคํานะมีขนาดเท่าช้างเท่าม้าและโคอุสะพะ เอาหลังจดหลังชําแรกแผ่นดินผุดขึ้นในที่ประมาณแปดกรีดที่หลังบ้านนั้นนะคือแพะทองคำเนี่ยเยอะแยะไปหมดโตตัวบเบลอร์เบลเลยตัวเท่าช้างเข้ามาเท่าโคอุสภพะเต็มไปทั้งที่แปดกรีดเนี่ยกว้างกว้างมากเขาก็มาเที่ยวตรวจ ด, ดูแพะเหล่านี้แล้วก็เดินออกไปมหาเมธะกะาศเศรษฐีก็ถามบุรุษเหล่านี้ว่า พวกท่านทั้งหลายไปเจียวไปตรวจดูผู้ใดผู้นั้นพวกท่านเห็นแล้วหรือไม่ถามในว่าไปหาเศรษฐีได้เจอหรือยังเจอเศรษฐีหรือยังพวกเขาก็เลยบอกว่าโอ้เจอแล้วครับอ่าแล้วท่านเศรษฐีก็บอกอ้าวถ้าผู้นั้นพวกท่านก็ไปได้แล้วหาเจอแล้วนี่แต่ตะกี้บอกว่ามาเที่ยวหาอะไรก็อทักอย่างหนึ่งนี่ก็มาหาเศรษฐีนั่นเองนะก็เจอแล้วเจอว่กลับ บรรลุษเหล่านั้นก็จากที่นั้นไปกลับไปไหนอะ่ะกลับไปหาชดิละเศรษฐีนะชะดิละเศรษฐีก็ถามว่าตระกูลเศรษฐีที่มีพภคสมบัติเสมอกับเราพวกเจ้าไปพบบ้างหรือไม่พวกนั้นบอกว่าไงรูม้มหมพวกพวกคนใช้บอกว่า นายท่านนจะเป็นเศรษฐียังไงสมบัติของท่านเนี่ยเบงกาเสเศรษฐีมีมากกว่าท่านทั้งเยอะแยะนี่นะโอ้โหจนไปแล้วนะไปเจอเมบงกาศเศรษฐีก็ เ, เนี่ยจนไปแล้วไอ้ภูเขาทองแปดสิบศอกนันไ ม, ไม่ไม่มีความหมายเลยนะเศรษฐีได้ฟังดังนั้นแล้วเสียใจไหมไม่เสียใจนะชื่นชัยโอ้โหสบายใจแล้วมีใจแช่มชื่นเพราะว่าอยากจะบวช อยากจะบวชออไม่ได้เสียใจเลยว่าแหมสมบัติของเรานี่มันน้อยกว่าเขาถ้าเศรษฐีสมัยนี้อาจจะเสียใจเ อ, อเราสู้เขาไม่ได้แหมมันรวยกว่าเราเนี่ยเราต้องดั่งรถให้แพงกว่าเขาอีกอย่างเงี้ยอะไรอย่างเนี้ยแต่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านอยากจะสะละสมบัติจ่ต้องไปตรวจดูซะก่อนแบบมีใครมีสมบัติมากกว่าท่านหรือเท่ากับท่านบ้างไหมปรากฏ ว, ว่าสมบัติของท่านกลายเป็นจิบจ้อยไปเลยกลายเป็นนิดเดียวไปเลยไปเทียบกับเบญจกาศสิรธฐี จึงคิดว่าตระกูลเศรษฐีเราได้ไว้ก่อนแล้วตระกูลหนึ่ง <c oughs> คือรู้แล้วมีตระกูลหนึ่งตระกูลเศรษฐีต่อไปอื่นๆ อ, อ, อีกมีอีกหรือไม่ก็ให้ผ้ากัมพลมีค่าแสนหนึ่งแล้วก็สั่งคนใช้ว่าพวกเจ้าไปนะไปหาตระกูลเศรษฐีอีกสักเศรษฐีหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ก็มาแล้วมาเหนือมากรุงราชชครึนะแล้วก็ ม, มา หาฟืนมาทําฟืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากบ้านของโชติกาเศรษฐีเอาฟืนมาติดไฟแล้วก็ยืนอยู่ยืนยืนอยู่ถือผ้ากำพลไว้ด้วยผ้ากำพลราคาแสนหนึ่งนะสมัยนี้มีไหมคนแต่งชุดเป็นแสนเนี่ยมีคุณโยมมี ม, มีเห็นเขาลงมันทาด้วยเพชรด้วยพลอยอะไรไม่รู้เห็นลงแฟชั่นอาตมาไปเห็นเข้านะนในเวลานั้นชาวบ้านก็มาถาม่าทําอะไรกัน พวกนี้ก็อวดรวยนะบอกว่าเมื่อพวกฉันจะขายผ้ากำพลน่ะซึ่งมีค่ามากผืนเนี้ยไม่มีใครซื้อเพราะฉะนั้นถ้าถันฉันจะเที่ยวถือผ้าไปก็โจรมันจะมาปร้นกลัวโจรพอเหตุนั้นฉันจะเผามันแล้วแล้วก็จะไปนะจะเผาไอ้ผ้ากำพลแสนหนึ่งเนี่ยจึงจุดไฟขึ้นแล้วก็จะไปนี่เป็นอุบายอุบายอยากจะรู้ว่ามีเศรษฐีแถวแถวเนี่ยนะมีบ้างไห ดังนั้นโชติกาเศรษฐีได้เห็นพวกเขาจึงถามว่าอาพวกท่านทําอะไรกันเขาก็บอกว่ามันขายผ้าไม่ได้ผ้าแสนหนึ่งไม่มีใครซื้อจะเผาซะเดี๋ยวโจรจะมาปล้นนะก็ถามเลยนะว่าผ้าราคาเท่าไหร่บอกว่าแสนหนึ่งก็สั่งให้คนใช้เอาซัพย์แสนหนึ่งแล้วบอกว่าเอาผ้าผืนเนี้ยนะไปให้แกนางทาสีที่กวาดขยะที่ซุ้มประตูใช้ นะมันอวดรวยนักนะให้ท า, ทาสีไปใช้ซะแล้วก็ส่งให้ในมือของพวกเขานั่นแหละนะทาสีก็เด็ดอีกเหมือนกันเพราะได้ผ้ากำพลแล้วก็ร้องไห้โฮเลยนะเพราะได้ผ้ากำพลเน่ยคนณอาผ้ากำพลค่าแสนหนึ่งไปให้ร้องไห้กลับมาหาโชดิกาเศรษฐีบอกว่านายดิฉันทำผิดอะไรเลยตีฉันจะดีกว่านะ เพราะอะไรเพราะว่าผ้ากำพลนี่มันเนื้อหยาบนะฉันจะนุ่งยังไงฉันจะผมยังไงมันผมไม่ได้มันเนื้อมันไม่ไหวมันตกัมันหยาบมันระคายผิวหนังตัวเองคือไอ้ผ้าที่เขาใช้นีมันราคามากกว่าแสนนะไอ้นี่มันเศษผ้าเขานะเขารวยมากคนใช้ของเขาเนี่ยยังไม่อยากจะใช้เลยใช้เป็นผ้าเช็ดเท้ายังไม่อยากเช็ดเลยว่าไปง่ายๆ โชติกาเศรษฐีบอกว่าฉันไม่ได้ให้ไปนุ่งไปห่มนะแต่ฉันให้เธอเนี่ยเอาไปพับแล้ววางไว้ใกล้ที่นอนเวลานอนก็เช็ดเท้าท่เท้านั้นก็ล้างด้วยน้ำหอมนะแล้วค่อยเช็ดไม่ได้ให้เอาไปนุ่งไปห่มทำไม่ได้เลยอย่างนี้เศรษฐีบอกอย่างนี้นะบอกว่าไม่ใช่เอาไปนุ่งเอาไปเช็ดเท้า ไอ้ผ่าเช็ดเท้าพืนนี้เราต้องแย่งแถ้าเราถ้าเราไปเช็ดเข่านะโอ้มันมันวิจิตพิสดารเหลือเกินโอ้เศ็ดสีท่านนางทาสีเลยหยุดร้องไห้บอกว่าอถ้าอย่างนั้นก็ดิฉันก็พอจะทําใช้อย่างนั้นได้แล้วก็รับเอาผ้าไปเจ็ดสีสมัยนี้ก็ฟังแล้วก็อย่าร้องไห้นะเจ็ดสีสมัยนีนะ้เรายังไม่ใช่เจรษฐีจริงอย่าเพิ่งไปคุยดูผ้าคีริ้วเราซะก่อนผ้า ผ้าเจ็ดเท้าเราต้องก่อนเราใช้ผ้าแบบไหนถ้าใช้ไอ้พรมมะพร้าวทำด้วยมะพร้าวแล้วบอโอ้ยไม่ต้องอะนะไม่ต้องเป็นเศรษฐีต้องใช้ให้มันให้ผ้าผืนละล้านอะไรอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีกันจริงฝ่ายคนใช้ของชาดีละเศรษฐีรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จอีกนะเรานึกว่าเรารวยปะโถเลยมาเจอโชติกาเศรษฐีเข้ากลายเป็นคนจนไปเลยก็กลับมาบ้าน ของเศรษฐีชัดีละเศรษฐีก็ถามว่าเจ้าไปเจอเศรษฐีอื่นไหมพวกคนใช้บอกพวกนายตัวท่านนะ่ยไม่มีอะไรเลยนะสมบัติอย่างนี้ของโชติกาเศรษฐีนะับมากกว่าท่านอยู่ในกรุงราชเกลือแล้วก็เล่าสมบัติของท่านเศรษฐีให้ฟังเศรษฐีโชติกาให้ฟังว่ามีอยู่สักเท่าไหร่มีเท่าไหร่ลนะอย่าไปนับจะเพาะต้นกระเบื้องพฤกษ์นะก็ ต้นเดียวเนี่ยก็ไม่หมดแล้วใครไปถึงก็นึกเอาก็ได้แล้วของผ้าอาหารอะไรก็กินไปเถอะเพราะนั้นเศรษฐีโชคอชาชดิระได้ฟังคำของคนรับใช้ก็ดีใจว่าบัดนี้เราบวชได้แน่ก็ไปหาพระราชากราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุิเทพข้าพระองค์มีประสงค์จะบวชอันนี้ยานแกล้าแล้วญาญแกล้าแล้ ว, กกลลวต้องมีลูกซะสามคนก่อนค่อยมีญาณแ ก, กล้านะเล้วก ถ้าไม่งั้นไม่ไม่ไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มียานแก่กล้าไอ้เรื่องบริหารบ้านสมบัติเนี่ยตัวเองคิดว่าทนมีสติดีๆหน่อยก็คงน่าจะรู้ว่ามันไม่มีเวลาหยุดนะมันต้องคิดกันตลอดเลยมันมันเป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงๆอัตมาบริหารกุฏิของอัตมาเองเนี่ย ยังประสาทจะกินแล้วบริหารกุฏินิดเดียวเอ๊ะแมงบุมไปจับตรงนั้นนี่แล้วเนี่ยนะเอามดขึ้นตรงโนนอีกแล้วโอ๊้หูทำไมมันยุ่งไปหมดฝุ่นตรงนี้เข้าตรงนั้นก็ยังไม่ได้เช็ดนี่เอ็นด้เรานี่แค่กุฏิเดียวของเราเนี่ยเรายังบริหารไม่หมดจดเลยนะแล้วเราจะไปบริหารไอ้บ้านใหญ่ๆโตๆหรือว่าทรัพย์สมบัติมากๆเนี่ยมันจะได้หรือยังไงแต่ไอ้ความโลกมันบอกว่าได้มีมากยิ่งดียิ่งสนุกนะจริงๆแล้วก็ ยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเอาง่ายๆไอ้บริหารใจของเราดวงเดียวนีให้มันมีความสุขยังบริหารไม่ได้เลยจริงหรือเปล่า่ะถามดูเถอะชีวิตเราชีวิตเดียวให้มันมีความสุขเนี่ยยังไม่ได้เลยให้เอาบุญเนี่ยมาบริหารชีวิตเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะได้มันพลจะไปเอาบาปมาเสมอเลยเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะไปบริหารทรัพย์สมบัติ พระราชาก็ตัดว่าสาธุดีแล้วมหาเศรษฐีท่านจงบวชเถิดพระราชาก็มีศรัทธาเหมือนกันเศรษฐีนั้นก็กลับมาบ้านแล้วเรียกบุตรสามคนมาวางจอบที่มีด้ามเป็นทองคำตัวจอบก็เป็นเพชรไว้ในมือบุตรคนโตแล้วบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงขุดเอาทองคำจากภูเขาทองที่หลังบ้านของพ่อเธอ ลูกชายคนโตเอาจอบไปสับภูเขาทองก็ไม่เข้านะเหมือนกับไปสับก้อนหินเสร็จีก็เอาจอบคืนมาทรงให้ลูกชายคนกลางลูกชายคนกลางก็ไปสับก็ไม่เข้าอีกเพชรไปสับไม่เข้าไม่เข้าทองคำอ่ะเพราะบุญไม่มี